BOOK 2หกสิบสีโทชิชิระลอระโทชิชิระชระการปฏิเสธหนึ่งมิดนโงมดนะดิฉันไม่เข้าใจคำสาปอากุชิเ อุ ร, อรบดิฉันไม่เข้าใจประโยคอากอุอรบดิฉันไม่เข้าใจความหมายอชยิมพานะรยอัชยิมานะรย คุณครูเชเลยจเลยกจคุณเข้าใจคุณครูไหมคะเชเลย์กจิมกอร์รกบกรวะเลจิมกอุรกบกรวะค่ะดิฉันเข้าใจท่านดีอารุดะกกกูรัอารุดะกกกรวะ คุณครูจลห์าจล ห, จลหจคุณเข้าใจคุณครูไหมคะเจลห์าิมกวอรคบกรวะจลหิมอรรบกรอวะค่ะดิฉันเข้าใจท่านดีอารุดะกูกูระวะอารดะกูกรอวะ ผู้คนซุฟซุฟคุณเข้าใจผู้คนไหมคะซุฟมกะกาอุรกบกูรวัวซุฟมกะกาอรกบกรวไม่ดิฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไรหร่ค่ะเาวอาคมะกาอรร์คูกส ก, กุรอวระบเ อหมะกา อ, อรยกุกซรอุรเพื่อนหญิงแฟนเซซคุณมีแฟนไหมเซซโวีอซซวีอาที่ฉันมีอารุซอารซิ ลูกสาว ช, าวชาวคุณมีลูกสาวใช่ไหมช ว, วอชาวอาวอไม่ดิฉันไม่มีลูกสาว h าวซ่ซีอาวซซีอับ